สถานที่อันหน่ารื่นรมพระพุทธภาสิทธกาเมวายดิวายรันเยนินเนวาวายดิวาทะเลยะถาอรหันโตวิหะรันติตังภูมิรามะเนยักังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็าตามปา่าก็ตามที่รุ่มหรือที่ดอนก็าตามที่นั้นย่อมเป็นสถาน อันน่ารื่นรมอธิบายความคําว่าพระอรหันนั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหันต์หมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโลคโกรธหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคําอรหันนี้นอกจากมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคําร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อนักเรียนบาลีจําง่ายดังนี้ อะะกัตตาหตัตาจักกิเลสารีนะโซมุนิหตาสั่งสาระจากาโรปัจญาดีนะมาระโโหนารโโหกรโรติปาปานิอรหังเทนะวุจจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอารหันต์เพราะเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งเพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอาลกัตตา 2. เพราะเป็นผู้สามารถกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้แล้วสเพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วหาตา้ังสาระจา ก, การโรสทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยสี่ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาปัจจญาดีนะมาราโฮห้าไม่ทรงกระทำบาปในที่รับนาโราโฮกรโรติ ป, ปาปานิพ่ออื่นๆมีความหมายแจมแจ้งแล้วขออธิบายเฉพาะข้อที่สามเพียงเล็กน้อย คือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารวักรได้แล้วสังสารจักรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อกรรำของมันแน่นหนาอยู่เมื่อกรรำของมันถูกหักเสร็แล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสารจักรนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อกรำคือกิเลสถูกหักสิแล้วการหมุนไปสู่ พบน้อยพบใหญ่ก็สิ้นจุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้วได้นามว่าพระอาหารหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมเพราใจของท่านรื่นรมตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไหร่อาหารจะประณี่สักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั้นก็เหมือนนรกความวิตกกังวลเป็นมารของความสุข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 พราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่หวังเพ้อในเรื่องอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวพรรณก็อบของใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้นเก้าสิเปอร์เซ็นไม่เกิดขึ้นลองทําบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้าง แล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ 90% ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุภารามเมืองสาวัตถีทรงปราบพระเรวตะเถระน้องชายพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเรวตะเถระเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนสุดท้อง น้องคนอืนอ่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาวสามคนชื่อจาราอุปจาราและศรีสุปจาราน้องชายสองคนคือจุนทะและอุปเสนมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีกซอีกจึงคิดจะผูกเรกวัตคุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุเจดขวบ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 หนังหดเหี่ยวตัวตกลระหลังโกงเรวตกุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคำตอบว่าถ้าอยู่นานไปก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวตกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชาราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิน้นอุปติสาพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวด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 ในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำ น, นักของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกลุ่มหนึ่งประมาณสามสิบรูปขอบวชกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกขปเจ้ า, ยายไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโรสหรือบุตรของอมตะจกให้ท่านบวชได้อย่างไร ท่านไม่รู้จักกระผมหรือเรวตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสักก็ใครเล่าคืออุปติสักท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสักพวกท่านจึงไม่รู้จักภิกษทุทั้งหลายกล่าวว่าถากล่านั้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชใ ห, ให้เมื่อบวชแล้ว ภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรทูลลาพระาศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระาศาสดาทรงขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีกสองสามวันพระสารีบุตรทูลลาอีกพระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเทวตะคิดว่า ถ้าเราจะอยู่ที่นี้พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงเรียนวิธีทำกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปในป่าไม้สแกลึกเข้าไปอีกประมาณส0โยดได้บรรลุอรหัตผลในภรรษานั่นเองเมื่อออกปรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลาพระาศาสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระโทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมาก สเสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวตัตเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพร่งพระอานนลยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข่ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณหกสิบโยมีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณสามสิบโยเป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์จ ะ, สะเสด็จไปทางใดศิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออ น, นุ คำอธิบายพระศิวลีเป็นพระสาวกที่เลิศในทางมีลาภไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศิวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนภิกษุสาวกก็จะไม่ลําบากเรื่องอาหารพระาศาสดา จ, จึงตรัสกับพระอนอนท์ว่าให้ไปทางตรงมาด้วยพระเจ้าค่ะถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราควรไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหาร เพราะเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทากรรสการะแก่พระสิวรีเทระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางกันดานส0โสิยดนั้นพระศัสดาและภิกษุ ส, ษสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระสิวรีโดยตลอดฝ่ายพระเรวตะเทระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเทระเพราะท่านใดเป็นพระอาหารหันต์แล้วทราบการเสด็จมาของพระสัสดาและภิกษุ ส, ษสงฆ์แล้ว ได้เนรมิตรที่อยู่สําหรับภิกษุสงฆ์และที่ประทับของพระาศาวซาดาด้วยลิศของตนพระาศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้ทรงอาศัยบุญของพระสิบรีในเรื่องอาหารบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูปคิดติเตียนพระเรวตะว่าภิกษุนี้รูปเดียวทําการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้จะมีเวลาบําเพ็ญสมณธรรมอย่างไร พระศาสดาทรงเห็นแก่น้าว่าเป็นน้องชายภาษาริบุตรจึงเสด็จมาสู่สำ น, นักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นป่านนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทรงสร้างความคิดของพิสุทธสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกได้ทรงอธิษฐานให้ภิกสุทธ์สองรูปนั้นลืมบริหารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมัน และรองเท้าเป็นต้นเมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายดิษทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างจริตรานถูกหนามไม้สะแกต่ำเท้าพบพอสิ่งของของตนแหวนห้อยอยู่ที่ต้นสะแกเพราะเวลานั้นพระเรวตะเถระก็คลายดิตแรงเหมือนกันเสนาสนะที่ท่านสร้างขึ้นโดยิษจึงหายไปด้วย พระศาสดาเสด็จกลับมาอย่างบุพพาลามพิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคารตุกะพัดนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตตะว่ารื่นรมน่าอยู่หรือไม่พิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สะแก่มีน้ำมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีพิกษุหนุ่มสองรูปมา นางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอีกพิกษูหนุ่มสองรูปตอบว่าหน้ารื่นรมจนไม่อาจพรรณนาประดุษเทวสภาประดุษเนรมิตขึ้นด้วยฤทิ์นางวิสาขาเป็นสวสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของพิสูจน์สองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายดิ์พวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายดิ์แล้วนางคิดว่าจยากทูลถามพระาศาสดา เมื่อเสด็จมาแต่เมื่อพระศาสดาเสด็จมาสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวัตต์อย่างไหนถูกต้องพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าข้อตามพระอระหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ากาเมวายดิวารัญเยเป็นอาทิ มีในยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นบุพกรรมของพระศิวลีต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระศิวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันเพราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบเลิศ ด, ด้วยหยด พระศาสดาตรัสเล่าบุปกรรมของพระศิวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระอุบาลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงพึ่งคือน้ำพึ่งทั้งรวงแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำพึ่งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะนะ ด้วยอานิสงแห่งการถวายโรงพึ่งนั้นพระศิวลีจึงเป็นผู้เลิดด้วยลาบและด้วยยศอันนึ่งด้วยอานิสงแห่งทานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นรัชธาญาตแห่งกรุงพระนสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้จเจ้าครองนครนั้นทำการต้องการอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนาฟืนและน้าเป็นต้นจากภายนอกพระ น, นครทางประตูเล็ก จึงสามารถคลองตนอยู่ได้แม้ถูกฆ่าศึกล้อมอยู่พระราชาล้อมนคร น, นั้นอยู่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันพระราชนีจึงแนะนำว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไปได้จึงปรงพระชนพระราชาผู้ท ร, รเสียในวันที่เจ็ดแล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นด้วยคำนี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกเอเวจี เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและนอนขวางช่องคลอดอยู่เจ็ดวันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อวกรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมิน่นอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนาการถึงเรื่องพระเรวัตเถระว่าเป็นผู้มีลาบมีบุญน่าชมเชยสามารถสร้างทิพักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้โดยลําพังตนเพียงผู้เดียวพระศาสถาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพรามนมวักว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โกปราศจากกิเลสดังทุรีผู้หมดจดว่าเป็นพราม